ไม่มีการเข้าคิวอะไรทั้งสิ้นนะที่เคยมีคิวก็แซงคิวกันวุ่นวายปั่นป่วยไปหมดก็มีการาถ่ายรูปนะเผยแร่ลงตามสื่อต่างๆภาพแบบนี้นี่พระนเรศวรถ้ามียันวิถีมาเห็นนี่ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจนะอาจจะดีใจเพราะหัวคนชมมากเลยคนสนใจมากเลย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 แต่ว่าการเอาวัฒนธรรมน้ำใจมาใช้ในสังคมปัจจุบันนี้บางทีมันกลายเป็นการสร้างความทุกข์แลเบียดเบียนกันเพราะว่ามีน้ำใจนะแต่ขาดความเกรงใจสังคมไทยแต่ก่อนนี่น้ำใจกับความเกรงใจนี่มาด้วยกันนะเช่นเราจะเรียกร้องน้าใจจากใครเนี่ย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 หรือว่ากินมากจกนกระทั่งตัวอ้วนเต็มไปได้วยโรคนะแล้วก็ไม่ขยันทำงานเอาแต่เล่นเล่นอะไรเล่นเกมติดเกมกันหนักมากนะผงได้ข่าวนะเมื่อสองสามวันก่อนนี่มีเด็กอายุ13านี่เอาโทรศัพท์แม่ไปใช้เล่นเกมคุกกี่ลันไม่กี่วันนะประกราว่าเสียเงินไป